สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีจัมญาณ น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซู ต, ตอนที่ห้าร้อยหกสิบห้าเราอยู่ในช่วงของการพิสูจน์โดยใช้ประวัติศาสตร์เรื่องการเป็นขึ้นมีความตายขององค์พระเยซูคริสพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาพี่น้องครับการเป็นมีความตายนั้นก็ส า, สามารถถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่งทีเดียวของโลกและในทางประวัติศาสตร์ของคิดศาสนาเรานั้นเรามีหลักฐานเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับโดยที่ได้รับการยอมรับจากนักประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันกรณีอย่างเช่นพระกายที่หายไปจากอุโมงฝังศพมันก็เป็นพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งโดยมีสถานที่เกิดเหตุนะครับ สถานที่เกิดเหตุนี้มีตำแหน่งแน่นอนด้วยครับก็คืออยู่ที่ปาเลสไตน์เจ้าของอุมโมงฝังศพก็มีตัวตนนะครับเขาอยู่ในตอนต้นศตวรรษที่หนึ่งสามารถที่ระบุได้ว่าเป็นใครและแม้กระทั่งสถานที่ตั้งของอุมโมงซึ่งเป็นเนินเขาลูกหนึ่งใกล้กรุงเยรูซาเล็มอุโมงนี้เป็นอุมโมงแบบของคนยิวครับก็คือเจาะเข้าไป นะครับเจาะเข้าไปในภูเขาเจาะภูเขาหินนี่และครับแล้วก็เอาพระศพนั้นก็วางไว้แล้วก็มีหลักฐานทางประจักษ์พยานด้วยก็คือทหารยามนะครับทหารยามที่เฝ้าอุโมงหรือแม้กระทั่งพวกสมาชิกสภาแซนเดรินที่ประชุมอยู่ที่เยรูซาเล็ม มีหลักฐานมากมายครับพี่น้องครับทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่าพระเยซูนะครับเป็นผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระบิดาและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อยที่สุดนะครับเราจะต้องเชื่อว่าและทุกคนจะต้องเชื่อว่าพระเยซูนั้นเกิดเป็นคนจริงๆนะครับและพระเยซูเป็นตัวตนจริงๆเป็นคนจริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมสมัยนั้น ในขนณะเดียวกันครับพวกสาวกก็มีหลายรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแนะนำสาวกเหล่านี้ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มั่นใจมากขึ้นครับว่าหลักฐานทางบวชศาสตร์มีเยอะแยะมากมายครับสาวกคนแรกนะครับที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังคนนี้ชื่อว่าอ g n a นเช s ยังอ g n a นเช s นะครับพี่น้องจำชื่อนี้ดีๆนะครับเพราะว่า ในวันต่อๆไปจะมีการอ้างถึงบทความทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับคนคนนี้ครับเป็นคนที่เราระบุได้ว่าเขาเกิดเมื่อไหร่เขาตายเมื่อไหร่เขาเกิดในราวปีคศห้าสิบและตายในปีคศหนึ่งร้อยสิบห้า 115. คนที่เป็นผู้นำขินจักร์ของเมืองอันทิโอครับพี่น้องคงจะทราบดีนะครับอันทิโอที่ซีเรีย เป็นคึ้ตจักรที่ใหญ่มากเป็นฐานที่ตั้งของคึิตจักรนะครับหลังจากที่เยรูซาเล็มนะครับถูกทำลายคนคนนี้นครับอิกเเียสเป็นสารุสิตคนสำคัญของอัครทูตยอนเลยครับเราถือว่าเป็นอัครทูตยอนนั้นเป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับอเนีนี่ถือว่าเป็นเจเนเรชันสองเป็นรุ่นที่สองชีวิตของอ g n เ t i ชียนะครับในที่สุดเนี่ย เขาตายที่กรุงโรมก็คือว่าเป็นพวกที่พลีชีพเพื่อพระเยซูหรือเรียกว่ามาร์เตอร์นะครับเขาถูกโยนให้สับ ร, ร้ายที่โคลีเซียมนะครับในกรุงโรมมีหลักฐานปรากฏทางประวัติศาสตร์ว่าเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาระหว่างการเดินทางจากคลิป จ, จกักที่อันทิโอกที่ประเทศซีเรียไปไปที่โรมนะครับไปสู่การทนทุกข์ทรมานเพราะความเชื่อ ในเวลานั้นเขาคงไม่ได้เป็นคนข้างศาสนานะแต่เป็นคนที่มีสติมีเหตุผลการเดินทางไปตายเนี่ยนะครับไม่ใช่คนบ้านะครับเขาเดินทางไปเพื่อปกป้องความเชื่อของเขายืนยันความเชื่อของเขาหลักฐานของเขาันนั้นเขียนถึงพระเยซูคริสเขาเขียนอยางนคว่าพระองค์ทรงถูกตึงบนกางเขนและสิ้นพระชนตามคำสั่งของปอนเทียสปิลาศ พระองค์ไม่ได้ดูเหมือนว่าสิ้นพระชนแต่ทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนจริงๆประจักษ์แก่ตาของบรรดาเหล่าสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์บนโลกและใต้พิภพและในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาใหม่เหตุการณ์ทั้งหมดก็คือวันนั้นเป็นวันจัดเตรียมเวลาเช้าพระองค์ทร ง, ทรงถูกปีลาพิพากษาให้สิ้นพระชนพระเจ้าพบิดาอนุญาตให้เป็นเช่นนั้นเวลาประมาณบ่ายสาโมง พระเยซูสิ้นพระชนตอลอดวันสบาโตพระองค์ทรงอยู่ในอุโมงค์ซึ่งโยเซฟชาวอาริมาเทียบรรจุพระสบไว้นี่คือข้อเขียนของอิกเนเชสพี่น้องครับคนเหล่าเนี้ครับเป็นเจนเนเรชันที่สามารถระบุได้ในประวัติศาสตร์ครับมีตัวตนจริงตามประวัติศาสตร์และข้อเขียนเขาเหล่านั้นก็มีหลักฐานแลวก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆ เนีครับมีข้อเขียนในลักษณะนี้มากมายครับแต่ด้วยความจํากัดของเวลาและหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่สามารถลงในรายละเอียดมากๆได้ผมจะพูดถึงเจเนเรชันที่สองครับเจเนเรชันที่หนึ่งคืออัครฑูตเจเนเรชันที่สองนะครับก็คือ i g n a น i u s นะครับและต่อไปเป็นเจเนเรชันที่สามครับเจเนเรชันที่สามก็คือ j u s ติ n มาเธอร์ในราวคศหนึ่งร้อย ครับจนทั้งถึงหนึ่งร้อยหกสิห้านี่เป็นเจนเนอเรชันที่สองที่สามครับคนนี้เนี่ยเป็นนักปรักนะครับถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อเหมือนกันและเป็นผู้ที่ปกป้องกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริฐคนคนนี้มีลักษณะนิสัยเป็นคนที่กระตือรือร้นแสวงหาความจริงแบ็กกราวเบื้องหลังของคนนี้เขาเคยศึกษาปรัชญากรีกนะครับในสํานักต่างๆเป็นผู้ที่เที่ยวชาญเรื่องของเพโตหรือลทัทธิเพโต ต่อมาครับตามประวัติศาสตร์คนคนนี้นะครับชื่อจัสตินมาเตอร์นั้นก็กลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้วเขาเขียนยนี้ครับว่าข้าพเจ้าพบว่ามีปรัชญาคริสเตียนเท่านั้นที่เชื่อถือได้และมีประโยชน์คําว่าปรัชญาคริสเตียนนั้นเขาใช้คำคำนี้นะครับเมื่อเทียบกับปรัชญาของกรีกทําให้คนกรีกนั้นอ่านเข้าใจว่าหลักความคิดหลักความเชื่อของคริสเตียนนะครับก็คือเป็น หลักปรัช ญ, ญาของคริสเตียนนะครับเพื่อที่ให้คนเื่นเข้าใจแท้จริงแล้วจจสตินมาเธอร์นะครับเขารู้ครับว่าปรัช ญ, ญาต่างๆของโลกเสนอขอ้อคิดเห็นทางปัญญาแต่มีเพียงศาสนาคริสต์เท่านั้นที่บอกว่าพระเจ้าทรงเข้า ม, มีส่วนในมนุษย์เข้ามาันเข้ามามีส่วนในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในมิติแห่งเวลาและมิติแห่งสถานที่เขาเรียกว่า s p ป c e and Time นะครับ มิติแห่งสถานที่เรียกสเปซนะครับมิติแห่งเวลาก็ไทม์ Time, นะครับเขาเขียนคําว่าพระเยซูมาประสูติเมื่อหนึ่งร้อยห้าสิบปีที่แล้วขณะที่คิริกเนอสเป็นผู้ปกครองและต่อมาปอนเทอส์ีราตก็เป็นเจ้าเมืองอันนี้เป็นหลักฐานทางบอดซาที่ตรงกับพระกมภี์ครับเป็นหลักฐานทางบอดซานอกพกระกมภี์ที่ตรงกับพระกมภีนะครับนั้นคือเจเนเรชั่นที่สามคือ just ินมาเธอร์นะครับ เจเนอเรชันที่สี่ครับก็คือคนที่ชื่อว่าเทอร์ทิเลียนเขามีอายุอยู่ประมาณคศหนึ่งร้อยหกสิบจนถึงคศสองรอยี่สิบพี่น้องแจ๊บจะเห็นนะครับว่าสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับอาคาทูดมีลูกศิษย์ชื่อเอกเนเชียสเอกเนเชียสก็มีลูกศิษย์ชื่อจัสตินมาเธอจัสตินมาเธอก็มีรุ่นต่อไปนะครับคือเทอร์ทิเลียนนะครับเทอร์ทิเลียนเทอร์ทเลียนคนนี้นั้นเป็นคาร์เทช นะครับเป็นชาวคารเทจเป็นพวกแอฟริกันก็เขียนครับว่าคําสั่งสอนของพระเยซูเป็นความจริงที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าพวกผู้นําและพวกผู้ปกครองชาวยิวนั้นผิดพลาดคนจํานวนมากติดตามพระองค์ไปจนชาวยิวพากันโกรธเคืองพระองค์อย่างรุนแรงในที่สุดเขาจับพระองค์ให้ส่งให้ปอนทิอัสปีลาศซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองซีเรียพวกยิวต่อต้านพระองค์อย่างรุนแรงเป็นการบีบบังคับให้ปีลาศมอบ พระเยซูให้พวกเขาพาไปตรึงกลางเขนพี่น้องเห็นไหมครับว่าหลักฐานต่งางบทสานะครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆพี่น้องคงจะปฏิเสธไม่ได้เราคงจะปฏิเสธไม่ได้และทุกคนคงจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสิ้นพระชน์เป็นเรื่องจริงนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่พระเยซูทรงสิ้นพระชน์นั้นเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องครับ เราถอยไปเราก็จะรู้ว่าถ้าการสิ้นพชนของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับการเป็นขึ้นกความตายของพระเยซูหรือการฟื้นคืนพชนนั้นก็จะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกันพี่น้องครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียนสามารถรักษาความเชื่อต่อมาได้เรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าความจริงทางประวัติศาสตร์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับและมีข้อพิสูจน์มากมาย ทำให้เราสามารถยืนยันนะครับและยืนหยัดปกป้องความเชื่อของเราเรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายในแง่ของปรัชญาได้ด้วยเช่นเดียวกันข้าพเจ้าโว๋พรพี่น้องแท้ทุกท่านที่เราจะมั่นใจว่าการสิ้นพชนม์ไทบาป พ, พวกเราของพระเยซูคริสต์นั้นได้เกิดขึ้นจริงและการเป็นขึ้นเหนือความตายหรือการฟื้นคืนพชนของพระเยซูคริสต์นั้นก็เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเป็น all or none law ก็คือกฎที่ว่าจะต้องเป็นนะครับหรือไม่เป็นเลือกกึ่งๆึ่งกลางๆไม่ได้ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน